Copyright g o e l a g München Book คลิปเสียงฟรีในหลายภาษาหนึ่งสตุคน orang ดิฉันไซยดิฉันและคุณ Saya ฉัน k a ะคุณเราทั้งสองคู rdua เขาเขาและเธอเขาและเธอเขาและเ a อเขาทั้งสอ Mereka พวกเข rdua ผู้ชายผู้หญิงวานิตาเด็กนักครอบครัวครอบครัวของดิฉัน keluarga saya ครอบครัวของดิฉันอยู่ที่นี่ keluarga saya berada di sini ดิฉันอยู่ที่นี่ saya ดีคุณอยู่ที่นี่ kamu ดี เขาอยู ni, dia, ่ที่นี่และเธออยู่ที่นี่ Dia laki-laki di sini dan dia perempuan di sini เราอยู่ที่นี่ Kami di sini คุณอยู่ที่นี่ Kalian di sini. พวกเขาทุกคนอยู่ที่นี่เมื่อกเขา semua อี่ินี่